สกุลสาวโบกมือกนนันอินทำสัญญาณให้ผลพร้อมกัดตบที่โคนใบหูของเจ้าดวดเป็นความหมายให้มันถอยจากที่นักชั่วไม่นานในการไต่ขึ้นไปโดยด่านสายใหญ่ทั้งหล่อนและนันอินก็พบพักพวกรอคอยกันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วบริเวณป่าเถาวัลขนาดใหญ่ติดต่อกระดงทึกโดยพ้นบริเวณของป่าภายออกมา ตำแหน่งนี้กลิ่นเน่าเหลืออยู่เพียงจางๆเท่านั้นเพราะห่างบริเวณนั้นออกมาพอสมควรและก็อยู่เหนือลมแล้วทุกคนกําลังรอคอยการมาของหล่อนและนานอินอย่างกระสับกระส่ายและราวกับจะรู้พอเข้ามาถึงตำแหน่งที่คณะพักรอคอยอยู่ก่อนแล้วเจ้าด้วนก็คู้เข่าหน้าลงอย่างแช่มช้าในลักษณะหมอบเพื่อให้ดารินลงหล่อนกระดดกระโดดลงจากคอมันทันที ตรงเข้าไปสมทบกับพักพวกทุกคนนั้นอินเข้าไปถึงก่อนแล้วส่งหลักฐานต่างๆที่ดาริมค้นพบไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดยาสลบยาระงับประสาทผ้ากอสปิดแผลซึ่งรวมกันอยู่ในถุงพลาสติกกระปื่นแก๊ปท้ใส่เม็ดตะกัวเขาวควายบรรจุดินปืนสิ่งเหล่านี้บัตรนี้ถูกแจกจ่ายอยู่ในมือและการพิจารณาของเชษฐาอนุชาและช ย, ยัน พร้อมทั้งการบอกเล่าโดยละเอียดเฉพาะปืนแก๊ปดินปืนเม็ดตะกัวและเขาวควายที่บรรจุดินปืนขยินเข้ามาร่วมพิจารณาอีกคนแล้วก็ยืนยันว่าเป็นของพวกกระเหลียงแน่นอนพยายามลำดับภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นจากหลักฐานและภูมิประเทศที่เราค้นพบให้ดีเะค่ะแล้วเราน่าจะท่ายอะไรได้บ้าง อย่างน้อยก็แปิเปอร์เซ็ตของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นล่ะดารินบอกกับทุกคนที่ค่อยๆหยิบแต่ละอย่างเหล่านั้นขึ้นมาดูทีละชิ้นเราพบทรากระทิงล้มก่อนต่อมาก็พบรอยที่สงสัยว่าคริสติน่ายิงกระทิงตัวนั้นคว่าไปเหตุการณ์ตอนนั้นจะต้องยังไม่มีโขลงช้างเข้ามายุ่งก่นมิฉะนั้นพวกนั้นจะไม่มีเวลาแล่เนื้อกระทิงได้ อีกก่อนจะถึงที่วางแคมป์เราก็พบว่ามีกะเหรียงตามยิงกระทิงตัวนั้นมาก่อนและมีหลักฐานของการบาดเจ็บเข้าของกันเป็นปืนแก็บและกระสุนเหล่า น, นี้ตกหล่นอยู่หลอดยาฉีดเพื่อให้สลบเป็นยาชนิดฉีดเข้าเส้นการให้น้ําเกลือช่วยคนเจ็บภายหลังเย็บบาดแผลเสร็จซากช้างล้มอยู่มากมายทั่วบริเวณอันหมายถึงการบุกเข้ามาและเกิดการยิงประทะ ต่อมาก็อีกหลุมฝังศพแล้วพวกนั้นก็ออกเดินทางต่อน่าคิดน่าคิดเราแกะรอยอย่างเดียวไม่ได้ใช่แล้วละ่ะต้องทําตัวเป็นนักสืบด้วยเชี่ยาพึงพำออกมาดวงตารลีลงเหตุการณ์มันก็น่าจะเป็นอย่างที่น้อยสันนิษฐานนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังเดาไม่ถูกว่าคนตายน่ะเป็นใคร ถาที่วิทยุบอกมาเมื่อตะกี้นี้ว่าเป็นหลุมฝังศพแน่นอนและพี่ชายใหญ่ของคณะก็ชี้มือไปรอบๆตัวรวมทั้งพื้นดินเดือยอ่ะดูป่าบริเวณนี้ทั้งหมดนะจะเห็นว่ารอยเท้าช้างน่ะต็มไปหมดแทบทุกตารางนิ้วปาหักยับเป็นแปลงอนาเขตกว้างไกลรอบด้านไปหมดสแสดงว่าโขลงช้างจานวนร้อยๆวิ่งกันปูนไปหมด มนันพยายามบุกเข้าโจมตีที่ตั้งแคมป์แต่ก็ถูกยิงล้มะระเนรนาศลงซะ ก, ก่อนอย่างที่เราเห็นพวกที่เหลือก็แตกถอยไปแต่มันมากันเป็นจํานวนมากจริงๆไม่ได้เฉพาะเพียงแค่ที่เราเห็นตรงที่เขาวางแคมป์กันอยู่หและนี่เป็นรอยเดินทางต่อของพวกนั้นซึ่งไปกันทั้งขบวนแบบกองคาราวานทีเดียวล่าวยังไม่ทันจบประโยคดี ทีถาก็จูงมือน้องสาวไปที่ริมพงรกใต้ด่านอันมีรอยกิ่งไม้เล็กๆถูกหักให้งอพับลงไวชี้ให้ดูอ้าวน้อยดูนะเธอเองก็เคยเดินป่าตามหลังระพินมาส น, นักต่อ น, นักแล้จํารอยหักกิ่งไม้แบบนี้ได้ไหมดารินหัวใจเต้นแรงเข้าไปสํารวจดูโดยใกล้แล้วเม้มปากพยักหน้ารับว่า ไม่จจำได้ค่ะนี่น่ะเป็นรอยหักกิ่งไม้ตามนิสัยอันเคยชินของระพินหรือวิเช่นั้นก็เป็นการหักแบบสยศาสตร์เพื่อคมป่าเบิกป่าของเขาที่ไม่เหมือนพรานคนใดทั้งสิ้น่ะแต่เช่นนั้นเราก็คิวิีได้แล้วว่าศพที่ถูกฝังอยู่นั้นน่ะต้องไม่ใช่ศพระพินแน่นอนใช่ไหมน้องสาวนี่ ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายชัดเจนออกไปเมื่อเราไปถึงหมู่บ้านตะเคียนทองซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ออไปไม่มากนักเพราะเราจะสอบถามจากพวกตะเคียนทองได้ทิศทางของรพินก็บ่ายหน้าไปที่นั่นแหะอนุชาให้ความเห็นมาพร้อมกับยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูกล่าวต่อมาโดยเร็วว่านี่กะเที่ยงกวาเกือบบ่ายแล้วรีบออกจากที่นี่ หอยพ้นกลิ่นไอ้ซากเน่าพวกนี้และหยุดพักกินอาหารต่างวันกันก่อนฮะเราควรจะถึงตะเคียนทองภายในเวลาไม่เกินสี่ชั่วโมงไม่เกินสี่โมงเย็นวันนี้ตอนนี้เราเห็นรอยเดินของพวกระพินชัดเหลือเกินนะเนี่ยเชษฐาตะโกนบอกพวกลูกหาบที่พักรอกันอยู่ให้เคลื่อนที่ทันทีทั้งหมดตัดเข้าโดงทึบของป่าไม้เบญจพรรณ โดยไล่ไปตามรอยที่คณะของรพินล่วงหน้าไปก่อนแล้วชนิดไม่ยอมเสียเวลาชักช้าอยู่อีกโดยอนุชานำลิ่วไปเบื้องหน้าเช่นเคยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมามัวสนใจหรือคอยกังวลอยู่กับตัวเจ้าด้วนอีกแล้วจะเห็นมันหรือไม่เห็นนไม่สำคัญแต่ที่เชื่อแน่ๆก็คือไม่ช้าไม่นานณนะบริเวณใดบริเวณหนึ่งมันก็ต้องโผล่มาให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะนั่นแหละ แสดงว่าติดตามคณะเดินทางของดารินไปทุกระยะอาจจะล่วงไปเบื้องหน้าหรืออาจจะตามมาเบื้องหลังเพราะพอคณะเริ่มออกเดินดารินเหลียวมาดูหลังเห็นมันหักยอดไผอ่อนๆมาใส่ปากยืนเคี้ยวกินเฉยอยู่ที่เก่าท่ามาการเหมือนจะไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นประมาณครึ่งชั่วโมงก็พ้นจากดงนั้นเห็นทุ่งหญ้าคาขวางดัก อยู่เบื้องหน้าผ้นกลิ่นไอเหม็นเน่าออกมาอย่างเด็ดขาดเพราะห่างมามากพอสมควรแล้วอนุชาสั่งหยุดให้พักกินอาหารกลางวันกันเมื่อเวลาเกือบบ่ายสองโมงเป็นการกินอย่างเร่งด่วนพอประทังความหิวจากเครื่องกระป๋องน้อยใจไม่ดีเลยที่พบหลักฐานว่าเพียงแค่ชั่วระยะ ก, การเดินทางต้นตนของรพินเท่านั้น คณะของเขาก็เผชิญกับเหตุร้ายจนถึงกับมีการตายเกิดขึ้นแล้วดาริงเอ่ยขึ้นแผ่วเบาเหมือนรังพึ่งขนาดที่ใช้ซ่อมจิ้มเนื้อกระป๋องกินอย่างไม่รู้สึกในรสชาติใดๆทั้งสิน้นทุกคนนั่งรวมกลุ่มกันอยู่บนเนินก่อนจะลงสู่ป่าหญาคาอันแลหหินลิบลิ่วไปยังดงที่ขวางอยู่เบื้องหน้าแค่พวกเราเองล่ะ ไม่ได้เจอเขาอย่างจังเบริร์แทบจะเอาชีวิตไม่รอดกันหรอกเหรอจากเหตุการณ์เมื่อคือนนะีใช้ยันพูดมาอย่างปลอบใจถ้าเธอจะห่วงระพินมีเหตุผลที่ทาให้ห่วงอยู่ข้อเดียวคือโรคประจาตัวของเขาอนอกเหนือจากนั้นทาไมต้องห่วงอย่างที่นายกลางบอกนั่นแหละถึงตะเคียนทองเมื่อไหร่เราก็ได้รายละเอียดจากพวกนั้นแน่นอนกาคํานวณกันละ ระหว่างการเดินทางของฝ่ายระพินะเสียเวลามากกว่าและเราทำเวลาได้เร็วกว่าถึงจะล่วงหน้าไปก่อนเจ็ดแปดวันเราก็จะไล่หลังกระชันชิดเข้าไปเชื่อว่าตามทันแน่อย่างช้าไม่เกินสีห้าวันนี่แหละเว้นแต่จะมีอุปสรรคอะไรที่เราคาดไม่ถึงมาสกัดกั้นหรือถ่วงเวลาไว้สะ ก, ก่อนทุกคนมีความเห็นอย่างฉันบ้างไหมดารินเ อ, อ่ยขึ้นลยยลอย อะรอะ่พี่ชายสองคนถามมาพร้อมกันก็เกี่ยวกับโลวงช้างผีสิงแล้วก็ไอ้ผีดิบมันไรในซากใหม่ของมัน่รวมทั้งอาถรรพ์เวทมนตลีของมันที่เราพบเมื่อคืนที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้คณะของระพินก็กําลังประชิญหน้าอยู่เหมือนกันมันเล่นงานระพินเข้าก่อนแล้วพอเราตามมามันก็วกกลับมาดักเล่นงานเรา ทั้งหมดนิ่งงันไปชั่วขณะ ม, มันก็อาจจะเป็นไปได้นะพี่ชายใหญ่พูดขึ้นแต่ประมวลเหตุการณ์แล้วทางด้านเรายังไม่สูญเสียอะไรเลยรับมือกับมันได้อยู่ส่วนทางด้านระพินนั่นหนักกว่าเราแน่แน่ดูตามรูปการที่เห็นเพราะมีการเจ็บและการตายขึ้นบ้างแล้ว มันก็แปลว่าทางด้านเรายังโชคดีกว่าพวกเขาขณะนั้นเองชายันผู้อิมก่อนใครทุกคนและกำลังยืนใช้กล้องสองทางไกลาวาดส่องไปยังทะเลยาคาที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่เบื้องหน้าก็อุทานออกมาว่าเอ๊ะพี่กนมีแรงลงที่กลางทุ่งลิบลิบอยู่ข้างหน้าฝูงเบรอทีเดียวเชธาอนุชาและดาริน ผู้กำลังนั่งอยู่พากันลุกขึ้นยืนทันทีขณะนี้แม้จะไม่ต้องอาศัยใช้กล้องส่องทางไกลทุกคนก็เพ่งมองฝ่าเปร้วแดดออกไปยังทุ่งอันลิบรล้วนั้นก็พอจะสังเกตเห็นเงาของสัตว์ปีกบินร่อนอยู่ไปมาเหนือยอดยญ้าคาตำแหน่งหนึ่งห่างไกลออกไปราวราวสามเมตรอย่างถนัดเป็นเส้นดำๆำเต็มไปหมดก่อนจะถึงดงทึบที่เป็นฉากหลัง หวางกั้นไว้ซึ่งไกลออกไปอีกแรงแน่เหรอชฉยันหรือว่าฝูงนกอะไรเชิดถาถามแทนคำตอบชฉยันส่งกล้องที่สองอยู่ให้ทันทีพี่ชายใหญ่ยกขึ้นปรปับเลนให้เข้ากับตาตัวเองจะ ก, กำลังขยายขนาดแปดเท่าทำให้เขาครางออกมาอืม อ, อีแรงจริงๆด้วยสิ นั่นแสดงว่าจะต้องมีอะไรตายอยู่กลางทุ่งอีกแล้วอนุชาใช้สายตาเปล่าคำนวณทิศทางของทองทุ่งนั้นกับป่าใหญ่ที่เห็นขุนเขาทะมึนสลับซับซ้อนอยู่เบื้องหลังความจริงผมกับห น, นันอินเจตนาจะตัดป่าญ้าคาออกทางด้านตะวันตกนี่ประมาณ25องศาเพื่อไปให้ถึงดงโนนโดยเร็วและจะต้องไต่เรียบไปตามขอบไหลเขา โดยหนทางที่เห็นว่าลัดที่สุดจะได้ถึงชมรมของกะเรียงตะเคียนทองซะโดยเร็วแต่ตำแหน่งที่แรงลงนะมันเบี่ยงออกทางด้านตะวันออกแลวถ้าเราไปทางนั้นเราก็เข้าดวงน้อนได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันจะอ้อมมากกว่าเพราะฉะนั้นจะเอายังไงดีพี่ใหญ่ละความสนใจจากกลุ่มแรงพวกนั้นซะโดยไปตามทิศทางที่ผมกําหนดไว้หรือว่าจะไปดูทางด้านแรงลงก่อนดี ขณะนี้เรากำลังพยายามค้นหาหลักฐานเก็บรายละเอียดของพวกนั้นให้ได้มากที่สุดอยู่นะทุกหลักฐานที่จะพบมันหมายถึงว่าจะช่วยให้เราอ่านรูปการและไทยอะอะไรได้ใกล้เคียงมากขึ้นพี่คิดว่าถึงแม้จะเสียเวลาหน่อยเราก็มุ่งไปที่ตำแหน่งเห็นแรงลงมากผิดปกติอันหมายถึงมีซากตายนั่นซะ ก, ก่อนดีกว่ามะเราต้องการรู้ว่าแรงมันลงอะไร เกี่ยวข้องกับคณะราพินไหมอะตกลงครับถ้างั้นก็ตามผมมาได้เลยอน้อยประโยคหลังอนุชามองไปทางน้องสาวคนเล็กอย่างอดห่วงไม่ได้สั่งว่านี่หวังว่าคงรู้ตัวเองดีนะว่าป่ายญ้าทายาขนหรือทุ่งแฝกมันทารุณขนาดไหนสำหรับผิวของคนที่ไม่เคยชินโดยเฉพาะในเวลาที่อากาศแห้ง แล้วก็เด็เจ้าแบบนี้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าดูแลตัวเองให้ดีหวังว่าคงไม่ต้องแนะนำอะไรนะค่ะสบายมากค่ะพี่กลางไม่ต้องห่วงน้อยหรอกราชสกุลสาวบอกพร้อมกับปลดแขนเสื้อเดินปาที่พับไว้แค่ข้อศอกลงมาจนถึงข้อมือและตัดดุม ท, ทันทีป้องกันแม่ความคมของใบญาคาหรือวัชพืชอื่นๆที่ขึ้นป่าบนอยู่เ้ามาสัมผั ตอรือบัดผิวเนื้อได้เสื้อที่รูดซิปไว้เหนืออกเล็กน้อยบัดนี้ปิดสนิทขึ้นไปถึงคอถอดหมวกสักรลาดออกมาใช้ผ้าพันคอห่อคลุมใบหน้าไว้อีกชั้นหนึ่งหรือเฉพาะลูกในตาแล้วจินสวมหมวกทับลงไปชั ย, ยันิมองเห็นการกระทำอันแ่วคล่องเหมาะสมกับสถานการณ์เช่นนั้นก็อดหัวเราะแล้วก็ย่าวาไม่ได้ว่าไม่เลว เหมือนกุลีหญิงเวลาขนดินขนทรายไม่มีผิดเลยน้อยนี่ขอรู้ไว้ด้วยนะว่าในการออกติดตามรับพินในครั้งนี้นะฉันมีความรู้สึกที่ยากแ้นแสนสาหัสยิ่งกว่ากุลีหญิงที่เธอว่าสักร้อยเท่าพันเท่าก็ไม่ปานแต่ฉันก็พร้อมละดารินตอบมาเสียงเบาเรียบแต่เฉียบขาดในความหมายอนุชาโบกมือกะนนอิน ล้ำหน้าตัดลงทุ่งหญ้าคาไปก่อนโดยไม่รอใครเชษฐาจึงโบกมือเป็นสัญญาณให้พวกลูกหาบเคลื่อนที่ทันทีการพักกินอาหารกลางวันเมื่อครู่นี้เพียงแค่ระยะเวลาอันสั้นนิดเดียวเท่านั้นทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าการทำเวลาหรือเร่งเดินทางเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดไม่มีใครเป็นตัวทวงหรือเป็นภาระอยู่เลยจัดว่าเป็นขบวนที่คล่องตัวและฉับไวขีดสุด ไม่ล้มลุกประเภทยาคาและโดยระยะเวลาที่ทอดหางมามากพอสมควรไม่เหลือทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้เห็นว่าคณะที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วผ่านไปทางไหนเพราะต่อให้แหวกเป็นทางลู่ไปโดยจานวนคนมากก็จริงถ้าว่าแค่เวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นความอ่อนตัวของมันก็จะทำให้กลับคืนมาสู่สภาพเดิมไม่เหลือร่องรอยอะไรไว้ให้สังเกตเห็นได้เลย เป้าหมายจุดแรกในช่วงนี้ทุกคนจึงมุ่งตรงไปยังบริเวณที่เห็นแรงลงก่อนอดีตพรานชดกับคู่หูคู่ชีพในอดีตนำรุดไปเบื้องหน้าชนิดไม่ห่วงหลังครั้งแรกมันก็เป็นป่าหญ้าที่หนาทึบสูงท่วมศีรษะก่อนสังเกตเห็นพวกที่ล่วงไปเบื้องหน้าได้โดยยอดของหญ้าที่ไว้ลู่เป็นทางพอให้สังเกตได้แล้วยึดเป็นเครื่องนาทาง แล้วต่อมาชั่วไม่นานบริเวณของป่าหญ้าคาก็เริ่มจะโปร่งโล่งขึ้นกลายเป็นทุ่งหญ้าเตี้ยๆพอจะมองเห็นอะไรรอบ ด, ด้านได้โดยสะดวกขึ้นนอกจากฝูงแรงอีกฝูงใหญ่ที่ขณะนี้เริ่มได้ยินเสียงร้องกอกแก๊กกอกแ ก, ก๊กแซ่ซำของมันไม่มีวิแววของสัตว์อื่นใดเลยกลางทุ่งเราอุบนั้นแล้วหลังจากนั้นชั่วไม่นานพอลมเริ่มพับ กลินเน่ารุนแรงก็โชยมาอีกแต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มจะชินแล้วมีแต่ความสงสัยเท่านั้นว่ามันเป็นซากของอะไรที่ถูกทิ้งไว้กลางทุ่งนั้นบัดนี้ทั้งอนุชาและนานอินที่บุกล่วงหน้าเป็นเรือนำร่องไปก่อนก็บรรลุเข้าถึงเป้าหมายที่เห็นแรงทั้งฝูงกําลังจับกลุ่มน้าเป็นกระจุกอยู่ยังซากอะไรชนิดหนึ่งนอนอึดอยู่กลางทุง่ง มีอยู่สองตำแหน่งสองจุดแต่ละจุดห่างกันออกไปราวสิราวเจดสบเมตรและทั้งสองก็แยกกันออกไปทั้งสองตำแหน่งนั้นขณะที่เชษฐาดารินชัยยันยังตามมาในระยะห่างเห็นไม่ถนัดและวิทยุจากอนุชาก็ดังรายงานขึ้นแร่ตัวมาฮือมาเลยครับพี่ใหญ่ล้มอยู่สองตัว ทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาใกล้ๆหรอกหมิน่นเปล่าผมจะรายงานให้รู้เองแรดเหรอมีหลักฐานอะไรที่สนิทฐานได้บ้างเชษฐาชงนักหยุดเดินยืนดูอยู่ตำแหน่งโคกบริเวณหนึ่งพลอยทำให้ทุกคนหยุดลงดวยต่างเห็นอนุชาและนานอินเดินลุยฝูงแรงเข้าไปอนุชาชักปืนสั้นประจำตัวขึ้นยิงขึ้นฟ้านัดหนึ่ง กลางทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลนั้นเสียงมันไม่ดังเท่าใดนักแต่ก็ทำให้ฝูงแรงเหล่านั้นแตกกระจายหนีห่างออกไปจากซากบ้างถ้าว่าไม่ไปไหนไกลหรอกบินบ้างวิ่งบ้างอยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงนั่นแหละอึดใจต่อมาน้องชายกลางจริงรายงานมาอีกว่าใช่แล้วละครับพี่ใหญ่แร่จริงๆนั่นแหละถูกยิงทิ้งไว้กลางทุ่งนี่เอง กระสุนเจาะเข้ากระโหลกแบบยิงสวนหน้าไม่มีรอยช้นแหลหรือแตะต้องใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะยิงทิ้งไว้เฉยๆเท่านั้นตัวที่ผมเห็นอยู่นี่โดนเขานัดเดียวอยู่หมัดลักษณะหัวปักดินเลยส่วนอีกตัวหนึ่งที่ลุงอินไปดูอยู่น่นบอกมาว่าโดนเขาไหลนัดแทบจะรอบตัวเลยแต่ละตัวน่ะน้องๆช้างเออเข้าใจว่ายังไงในความคิดของแกกลาง ชา ย, ยันวิทยุถามเข้าไปบ้างก็าทายไม่ผิดไอ้ตัวที่เจอนัดเดียวก็แสกหน้าหัวทิ่มดินน่ะก็คงพยใชายนายรพินนั่แหละส่วนอีกตัวที่ถูกรุมยิงปลูกไป ห, หมดคงจะถูกพวกนั้นช่วยกันระดมยิงหลายกระบอกสาเหตุก็คงเนื่องมาจากพวกนั้นเดินตัดทุ่งผ่านมาทางนี้แล้วก็พบกับไอ้สองตัวนี่โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ถูกมันชาร์ตเอารพินก็เลยจาเป็นต้องยิง ถ้าเราเชื่อกันในทฤษฎีที่ว่าการยิงสวนหน้าในระยะกระชั้นชิดขนาดสัตว์ชัดและตำแหน่งที่ยิงเป็นจุดตายอย่างเฉียบขาดเป็นนิสใยประจำตัวของระพิงอีกชนิดหนึ่งก็แปลว่าเราโลก อ, อกได้แล้วล่ะว่าเขาจะต้องไม่ได้เป็นศพลงไปนอนอยู่ในหลุมตามที่น้อยไปพบหลุมฝังศพเขาเท่าเท่ากับที่ไม่ได้เป็นคนถูกหามนอนไปในแคร่ด้วยเพราะไม่งั้นจะมาซัดไก่แรดสองตัวสองนอนตรงนี้ได้ไง เสียงครานชดบอกมาอย่างชัดเจนจากลำโพงวิทยุมือถือขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงดารินตาเริ่มมีประกายขึ้นถามออกไปว่าพี่กลางคะตรวจดูแน่ๆสิคะว่าตัวที่พบว่าถูกยิงนักเดียวตรางศีรษะหรือแสกหน้าน่นะรอยบาทแถลพอจะบอกขนาดกระสุนได้ไหมบอกยากน้อย ซากมันกำลังอืดทื่ขึ้นเต็มทีการเน่าของซากรอยถูกกิจกินของแรงทำให้สังเกตรอยเข้าของกระสุนไม่ถนัดดอกแต่ก็รู้นะว่าถูกยิงเข้ากลางแสกหน้านัดเดียวบริเวณที่ตั้งสมองสำหรับตัวนี้ไม่น่าจะมีรอยกระสุนอย่างตาแหน่งอื่นอีนอกลวระยะห่างกันลิบลบิแต่พูดกันโดวยวิทยุทุกคนเห็นอนุชาเดินเวียนซากอะไรชนิดหนึ่ง ที่นอนอึดอยู่กลางทุ่งเงันไปรอบๆขณะที่พูดวิทยุตอบมาจากนั้นก็ดูเหมือนจะพยายามตรวจ ด, ดูร่องรอยรอบๆห่างออกไปจากซากใช้เท้าเขีย่ยตามพงหญ้ากลางมันเธอกำลังหาอะไรเชษฐาถามไปก็เผื่อจะพบปลอกกระสุนบ้างครับพี่ใหญ่อย่าเสียเวลาหาปลอกกระสุนอยู่เลยมันไม่จำเป็นหรอก นอกจากแรดสองตัวมีหลักฐานอื่นๆที่พอจะมองเห็นได้ง่ายๆบ้างไหมก็ <AM> ไม่มีอะไรอีกแล้วละครับนอกจากหลักโคนห่างออกไปทางโน้นซึ่งน่าจะเป็นที่ลงนอนเปลือกหลักเล่นของมัน่แล้วก็ได้ยินเสียงอนุชาตะโกนอะไรโวกเวกอยู่กันหนอินเชิดาหันมาทางน้องสาวนี่กลางแต่น้อยแรดตัวที่กลางรายงานมาน่ะ พิสูจได้ชัดแล้วล่ะว่ารพินเป็นคนยิงแน่ๆด้วยความจำเป็นอะไรบางอย่างเป็นต้นว่าพยายามเลี่ยงลบแล้วแต่มันก็ยังปรี่เข้าใส่เพราะฉะนั้นน้อยก็วางใจได้แล้วล่ะว่ารพินไม่ได้เป็นคนที่ได้รับอันตรายหรือเคราะร้ายตรงบริเวณที่ตั้งแคมป์ซึ่งเราผ่านมาแล้วนั่นแน่นอนพี่ใหญ่กับทุกคนอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะขอน้อยเข้าไปดูหน่อย บอกแค่นั้นแล้วดูไม่ยอมฟังคำทักท้วงใดๆทั้งสิ้นดารินก็ออกสาวเท้าพรวดพรวด่อไปอย่างาปราดเปรียวตรงไปยังพี่ชายกลางทันทีเทียงถาและช ย, ยันกับพวกลูกหาบคงยืนรออยู่ที่เดิมเพราะไม่พิถสมัยที่จะเข้าไปดมกลิ่นเน่าอยู่ใก ล, กล้ๆอึดใจเดียวร่างปาดเปรียวนั้นก็เข้าไปถึงตำแหน่งนั้นและเสียงวิทยุจากดารินก็ดังบอกมา ภายหลังจากตรวจพิจารณาทราบโดยใกล้หยุดครู่หนึ่งโลกอกไปทีค่ะพี่ใหญ่จากหลักฐานทราบแรกถูกปืนตัวเนี้ยรอยกระสุนเจาะแสกหน้าจริงๆค่ะไม่มีใครอะนอกจากระพินคนเดียวเท่านั้นที่จะยิงในแบบนี้ได้แล้วก็ยิงในขณะที่เขาเลี่ยงไม่ได้ด้วยเพราะมันพุ่งเข้าใส่ ที่กลางพบปลอกกระสุนขนาดจุดสี่ห้าแปดบินเชสเตอร์ที่ตกอยู่ในพงหญ้าแล้วหนึ่งปลอกค่ ะ, ะถังงั้นก็แปลว่าปัญหาที่เรากังวลมาตลอดตั้งแต่พบเหตุการณ์ตรงบริเวณตั้งแคมป์ว่าจะเป็นเขาหรือเปล่าที่บาดเจ็บหรือตายก็ผ่านไปแล้วสิใช่ไหมช้ยยันถามจนกระทั่งมาถึงตำแหน่งที่พบแรกล้มอยู่นี่ทุกอย่างเคลียวไปแล้ว ว่ารพินไม่ได้เป็นคนบาดเจ็บที่ถูกหามไปในแคร่หรือว่าเป็นคนที่กลายเป็นศพลงไปนอนอยู่ในหลุมก็โล่งอกจริงๆเหตุการณ์ทำนายได้ต่อไปอีกว่าระหว่างพาคณะเดินตัดทุ่งเขาพบกระแรกคู่นี้เข้าอย่างกระทันหันตาปกติแล้วระพินะจะไม่ฆ่าสัตว์อะไรที่ไม่ต้องการเป็นอาหารโดยไม่จำเป็นเลยนอกจากจะป้องกันตัวเองหรือป้องกันคนในความดูแลของเขาเท่านั้น เพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าพวกเขาถูกไอ้รถถังประจำทุ่งนี่หมายเล่นงาน อ, อ ก, ก่อรระยะยิงเป็นระยะประชิด ต, ตัวเผาขนมากปลอกกระสุนที่ค้นพบได้พบในพงหญ้าห่างจากทางด้านหัวของแรดแค่ไม่เกินหกเจ็ดวาเท่านั้นเชษฐาชัยยันพลอยถอนใจออกมาอย่างโล่งอกไปด้วยก็บอกแล้วว่า ให้เข้าไปดูสักก่อนแล้วเราจะอ่านเหตุการณ์ได้ออกเองนะคราวนี้จะออยังไงต่อละครานชดอดีต ท, ท่านทูตทางทาหารบกเชื้อพระวงศ์ถามไปยังมักคุเทศนำทางหรือน้องชายของเขาเองก่อนกลับมาพร้อมกับบกมือไปทางด้านขวาของทุกคนที่กำลังยืนรอกันอยู่ทางนั้นก็เบนเข็นได้แล้วครับพี่ใหญ่ตักไปทางด้านขวามือตรงก็ไปในโดงโน่น ให้ขยีนออกนำทางไปทั้งผมน้อยแล้วก็ลุงอินก็จะเท่าไปสมทบกเราจะพบกันตรงชายดงเอาเป็นว่าใครถึงก่อนก็หยุดรออย่าเพิ่งล่วงเข้าไปในทุ่งมันโล่งมองเห็นกันได้ถนะัดตลอดเวลาแล้วไม่มีอะไรบางตาผมเข้าใจว่าเราพินคงนำคณะของเขาบ่ายหน้าไปทางด้านนั้นเหมือนกันแต่ที่เฉียงมาทางด้านนี้ก่อนเชื่อว่าก็คงจะพยายามอ้อม เพื่อจะหลีเจ้าแรบสองนอตัวนั้นแหละทั้งสองฝ่ายที่อยู่กันคนละจุดขณะนี้เลี่ยงจากทิศทางเดิมออกไปทางขวามือของชายดงทึบทันทีโดยต่างเดินตัดทุ่งอันสลับไปด้วยไม้ยืนต้นเล็กๆประเภทมะหวดและมะขามป้อมนั้นไปในลักษณะคืบไปเบื้องหน้าแต่จุดหมายบรรจุนักพบกันตรงบริเวณปากด่านขนาดใหญ่ อนุชาดารินและหนานอินไปถึงและหยุดรอคอยอยู่ก่อนแล้วประมาณสีหนาทีฝ่ายที่ตามมาโดยการนำของขยินจึงเข้ามาถึงและโดยไม่จำเป็นต้องเอ่ยอะไรเลยอนุชาที่มาตรวจปากทางบริเวณนั่นอยู่ก่อนก็ชี้ให้ทุกคนดูต้นเคสต้นหนึ่งที่ยืนอยู่ฝ้าทางด่านมีรอยมีดฟันบากเอาไว้กระเถาวันเส้นขนาดข้อมือ ห้อยเป็นบ่วงย้อยต่ำขวางอยู่ด้านหน้าถูกคมมีดฟันขาดออกจากกันฮึแม่นยำต่ อ, อ ก, การแกะรอยมากปลาชายันชูหมออกมาจากใจจริงอนุชาบุยปากไปทางหนานอินนี่กะลาพังฉันก็อาจจะงุ่ม ง, ง, ง่ามงงงอยู่บางเหมือนกันแต่คนแกะรอยระพินได้อย่างแม่นยำที่สุดก็นันลุงอินน่ะแล้วอนุชาก็หัวรอฮือ ยักไหล่นิดนึ่งการแกะรอยตามหลังนันไปเรื่อยๆเนี่มันไม่ยากอะไรนรักหรอกเพราะร่องรอยการเดินของพวกนั้นมันก็เห็นชัดจงแจ้งอยู่เป็นระยะระยะแล้วแล้วถ้ายัางเดินตามไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็แค่ตามอยู่แค่นั้นความหวังที่จะทันมันน้อยหรือเกินเว้นแต่จะใช้วิธีคำนวณหรือก้าวสกัดดักหน้าตีตอนสกัดดักหน้านี่แหละ มันคงไม่หวานคอแรงนักหรอกเพราะถ้าคำนวณหรืออ่านใจผิดนิดเดียวจะแหกแนวไปคนละทิศคนละทางเลยระหว่างที่เดินตัดเข้าดงกันไปเป็นหมู่ชา ย, ยันเอ่ยถามว่านี่เราจะเริ่มออกก้าวสกัดหรือดักทิศทางของเขาเมื่อไหร่นี่ก็ต้องหารือกันอีกทีนะแต่คงยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอน เพราะระยะนี่เป็นระยะที่ต้องตรวจตามรอยอ่านเหตุการณ์ไปก่อนการก้าวสกัดจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อเราตามเขาพ้นจากหมู่บ้านของชาวป่าชาวโดยที่เขาผ่านไปโดยล่วงเข้านรกดาไปแล้วพี่ชายใหญ่ให้ความเห็นอย่างไตรตรองแล้วถามน้องชายกลางว่ากลางนี่ก็แปลว่าเราจะมุ่งตะเคียนทองเลยใช่ไหมครับพี่ใหญ่ นันอินนะคุ้นเคยกับโบเมียนายบ้านที่นั่นดีเราจะไปสืบข่าวจากเขาจากที่นั่นด้วยก็เชื่อว่าคงจะได้อะไรค้นหน้ามอกมากพอสมควรนะครับชัยันยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเส้นทางจากนี่ถึงตะเคียนทองเป็นยังไงมั่งก็จะตัดเข้าดงลึกแล้วก็ไต่สูงขึ้นไปเป็นลาดับเส้นทางก็ไม่ลําบากอะไรนักหรอกแต่ก็ต้องระวังตัวกันทุกฝีก้าว อไช้างร um ja e ้ายผีสิงนั่นเพราะมันอาจจะดักเล่นงานตอนไหนก็ได้เราจะตรวจเส้นทางเดินเข้าไปทุกระยะอีกเหมือนกันในช่วงนี้ลุงอินก็ชำนาญเส้นทางดีอยู่แล้วอนุชาตอบขณะที่นำคณะก้มๆเงยๆมุดลอดซุ้มถาวันเข้ามาพี่กลางแน่ใจไหมคะว่าเราจะถึงตะเคียนทองก่อนค่าวันนี้เพราะนี่ก็เกือบจะบ่ายสองโมงเข้ามาแล้ว อินถามพระหล่อนและคณะทุกคนยกเว้นพี่ชายกลางกระหนันอินและขยินแล้วในการเดินทางครั้งก่อนระพินไม่ได้นำผ่านเส้นทางด้านนี้มาก่อนเนื่องจากตัดไปทางหล่มช้างก็ถ้าไม่มีอุปสรรคเหตุสุดวิสัยอะไรก็ควรจะถึงก่อนถ้ำ น, นะเพราะพะพ้นทิวเขาลูกนี้ไปก็ถึงแล้วละ่ะลุกอินผ่านหมู่บ้านตะเคียนทองครั้งหลังสุด น, นานสักเท่าไหร่แล้วละ่ะ เชิดหาเอ่ยถามขึ้นบ้างโดยส่งคำถามไปยังพรานครูผู้เฒ่าซึ่งเดินอยู่ไกลๆแกก็ตอบเสียงต่ำๆว่าก็นานโขอยู่เหมือนกันน่ะนายใหญ่คงจะเกือบครึ่งปีมาแล้วล่ะเราจะไปหยุดพักขั้นนี้กันที่ตะเคียนทองใช่ไหมเนี่ยเราจะพักหรือสอบถามพวกตะเคียนทองที่นั่นลุงเช้าค่อยสาวสาวรอยต่อพราดูตามรูปการ คณะของเราพินก็คงจะไปพักแรมคืนอยู่ที่ตะเคียนทองในวันที่เขาออกเดินทางในเช้าวันนั้นเหมือนกันถ้าพบพวกตะเคียนทองเมื่อไหร่เราก็คงรู้ละว่าอะไรเป็นอะไรจากข้อสงสัยและพยายามจะเดาความของเราโดยหลักฐานที่เห็นน่ะพรานชดหรืออนุชาบอกจุดที่เราประทะกับขลวงช้างผีสิงที่โป่งน้ําร้อนเมื่อคืนนี้ก็ดีหรือจุดที่รัาพินกับคณะ ยิงช้างไว้กลาดเกลื่อนตรงตรงไผ่ที่ผ่านมายกๆยกนี่ก็ดีวัดระยะทางแล้วมันก็ใกล้ๆ ก, ลกับตะเคียนทองแค่นี้เองพี่การคิดบ้างไหมว่าพวกตะเคียนทองจะไม่ถูกไอช้างอุบาทหลงช้างนี่เข้าราวีเหมือนอย่างที่เรากระพินพบกันมาแล้วดารินเปรยขึ้นด้วยอาการสังหรณ์ใจยังไงพี่กุอืมนันก็น่าคิดเหมือนกันนะ แต่ถึงยังไงเราก็กำลังบ่ายหน้าไปที่นั่นอยู่แล้วถึงเมื่อไหร่ก็รู้เองแหะอนุชาวราริศเริ่มจะมีอาการฉุกใจคิดขึ้นมาบ้างเหมือนกันจากคำพูดของน้องสาวผภา ป, ป่าเริ่มทึบเข้าทุกทีเส้นทางเดินที่อาศัยไปตามด่านสัตว์พบแน่ชัดอีกครั้งว่าเป็นเส้นทางเดียวกับที่คณะของรพินล่วงหน้าไปก่อนประมาณเพียงยี่สิบนาทีเท่านั้น ยินผู้ชำนาญทางในช่วงนี้ไม่น้อยไปกว่านันอินซึ่งมีหน้าที่นำทางอยู่เบื้องหน้าก็หยุดรออยูย่ตรงโคนไม้ใหญ่ริมลาห้วยลึกแต่เป็นห้วยแห้งตอนหนึง่งพอฝ่ายเจ้านายทุกคนไปถึงเจ้านักเรงตหลมช้างก็รายงานทันทีมีรอยแยกทางกันออกไปสองพวกตรงนี้นายมันบอกพร้อมทั้งชี้ให้ดูตามพื้นทางด่านซึ่งแยกขวา เป็นแนวทางเดินเส้นใหญ่เลี้ยวลัดไปตามพุ่มพงและต้นไม้ขนาดหลายคนอกส่วนอีกทางหนึ่งค่อนข้างจะรกหน่อยมีรอยฟันกิ่งไม้ตัดเข้าไปพวกแบดหามคงจะเดินไปตามเส้นทางด่านแต่นายรพินก็พวกขาวน่าจะตัดไปทางลำห้วยนี่นานินกับอนุชาเข้าไปสำรวจทันทีแล้วก็เห็นจริงตามที่เจ้าขยินบอกเออใช่ใช่ พวกนั้นแบ่งฝ่ายแยกกันจริงๆแหละหม่อมราชวงศ์อนุชาเอ่ยออกมาเบาๆภายหลังจากบุกพงเข้าไปช่วงหนึ่งและถอยกลับออกมาแล้วมันแปลว่ายังไงทำไมถึงจะต้องแยกพวกกันด้วยอดีตพรานชดเอาหลังมือขยี้คางกว่าตามองไปรอบๆอีกครั้งผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันละครับพี่ใหญ่เราต้องช่วยกันคิดหน่อย ว่าทำไมเขาถึงต้องเดินแยกกับพวกลูกหาบด้วยไม่ได้แยกไปตามลำพังคนเดียวนะแต่นายจ้างไม่กันพวกนั้นไปกับเขาด้วยเ อ, อมีรอยหรือสัญญาณอันตรายอะไรที่เกิดขึ้นในละแวกนี้บ้างไหมคุณดูสิเชษฐาสั่งการเร็วไม่มีครับลักษณะที่เห็นอยู่ที่นี่ก็คือครั้งแรกก็เดินเข้าขบวนกันมาเป็นปกติ และต่อมาระพินก็ชวนฝรั่งพวกนั้นแยกทางโดยปล่อยให้พวกลูกหาบที่แบกของหนักเดินกันไปตามทางด่านที่เดินได้สะดวกสบายกว่าแต่เขาพาพวกนั้นบุกพงตัดห้วยปีนเนินไปทั้งนั้นเราก็ต้องอ่านนิสัยอ่านจิตใจและความรู้สึกของระพินเป็นหลักแล้วล่ะชยันให้ความเห็นมันจะเป็นไปได้ไหมในกรณีที่ว่า ตัวเขาเองและนายจ้างอเมริกันพวกนั้นเดินกันตัวเปล่าไม่ได้แบกหามอะไรก็เลยชวนกันให้เดินตัดทางหรือหาทางลัดแยกไปส้ทางหนึ่งโดยปล่อยให้พวกลูกหาบที่หาบของแล้วแคร่คนเจ็ดที่แบกกันมาด้วยเดินไปตามทางด่านที่สะดวกสบายกว่าแล้วก็จะต้องมีจุดดักหรือจุดนัดพบ ก, กันตรงไหนสักแห่งหนึ่งในขนทางข้างหนโดยทางฝ่ายพวกลูกหาบนั่นเขาก็อาจจะให้พรานมือดีของเขาทั้งหลาย หรือส่วนหนึ่งมีหน้าที่คุมไปก็อาจเป็นไปได้นะในกรณีที่ระพินชวนอเมริกันพวกนั้นแยกลัดทางไปเนื่องจากทุกคนไม่มีพาราบแบกหามอะไรทล่องตัวกว่าฝ่ายพวกลูกหาดเช ท, ทาอ่านเหตุการณ์ตามหลักฐานที่เห็นทั้งนั้นเอาไงดีสำหรับพวกเราดารินถามมาโดยเร็วพี่ว่า เราแกะรอยเข้าไปทั้งสงด้านแบบเดียวกับที่เขาเดินมาแล้วนั่นเลยดีกว่าาจะทิ้งหรือมองข้ามไปซะ ก, ก็ไม่ได้จาะเธอขยินกันหนันอินคุมพวกลูกหาบเหล่านี้เดินไปตามเส้นทางด่านทับรอยของพวกลูกหาฝ่ายระพินไปได้ไหมส่วนเธอก็นําพี่ชายันแล้วก็น้อยแกะรอยไปทางด้านระพินที่แยกไปอย่างที่เห็นหลักฐานนี่ขณะที่แยกกันไปก็เอาวิทยุให้ลุงอินไว้เครื่องนึง มีอะไรก็ติดต่อเรียกถึงกันได้เอางั้นเหรอครับน้อยก็เป็นวิธีที่ถูกหลักที่สุดลุงยินกับขยินแกะรอยไปตามเส้นทางของพวกลูกหากส่วนพวกเราก็แกะรอยไปทางด้านระพินจะได้เห็นได้รู้ทั้งสองด้านวกพวกเขาพบเห็นหรือรเผชิญกับอะไรหรือมีจุดบรรจบกับลูกหากที่ไหนว่าแต่พี่กลางพอจะนำทางเฉพาะด้านนี้ได้ไหม ได้งั้นก็ดีเหมือนกันพี่ชายกลางตอบง่ายๆตามความเห็นส่วนใหญ่ที่ลงมติเป็นเอกฉันเชษฐาจึงดีดนิ้วเรียกให้นั้นอินกับขะยิงเข้ามาอธิบายเข้าใจทันทีว่าต้องการอย่างไรครรครูกับเจ้านักเลงโตหล่มช้างรู้เรื่องในคําสั่งนั้นอย่างง่ายๆตอนลูกหาให้เดินไปตามเส้นทางอันเห็นอยู่อย่างสะดวกนั้นทันที ตัวแกเองปิดรังท้ายก่อนจะพระออกเดินตามพวกนั้นไปแกก็ร้องบอกไปทางพรานชดนายเก่าของแกว่านายรพินพาพวกนั้นตัดทางลัดแล้วก็คงจะตรวจหาร่องรอยอะไรของแกบางอย่างคุณทางที่จะพบกับพวกที่เดินไปล่วงหน้าจะต้องอยู่ไม่ไกลนักหรอกนายแกร้อยไปดีกันแล้วกันหลักฐานน่าจะมีอยู่ทางด้านที่นายราพินพาฝรั่งไป มากกว่าทางด้านที่แก็บปล่อยลูกหาไปละ่ะกล่าวจบแกก็โบกมือให้แล้วเดินตามหลังพวกนั้นไปทันทีชายันเอ่ยขึ้นว่าอไมนายบ่าวสองคนนี่ดูจะรู้เส้นกันดีอยู่แล้วนี่อ่านอะไราในป่าก็อ่านได้ในหลักเกณฑ์เดียวกันนั่นแหละไปกลางทำเวลากันหน่อยเดินสะดวกสะดวกกันดีไม่ชอบต้องมุดพงลงห้วยไต่หินปีเนินกันอีกละ่ะ ทุกคนฝ่ายนี้เริ่มเคลื่อนไหวทันทีดารินรกระซิบกับเพื่อนชายวย่าเดี๋บนหน้าชัยยันกลวจะเดินด้านนี้ลำบากก็อนุญาตให้เดินไปกับพวกลูกถามนั่นได้นะตามหลังลูกินไปดิชัยยันไม่ตอบอะไรความจริงเขาไม่ใช่คนอ่อนแอรหรือย่อท้อกับอะไรง่ายๆแต่มีปากก็พูดเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นเองจากร่องรอยของระพินที่เชื่อแน่ว่า นำฝ่ายนายจ้างอเมริกันตัดเข้าไปในพงด้วยความหมายว่าคงจะหาทางลัดเพื่อจะบรรจบกับพวกลูกหาดซึ่งเดินในเส้นทางที่สะดวกกว่าด้วยพี่นั้นลึกลงไปกว่านั้นจอมพรานอาจจะได้ร่องรอยอะไรเป็นพิเศษสะดุดใจและนําพวกนายจ้างปลีตัวแยกจากคณะลูกหาดส่วนใหญ่เพื่อจะตรวจหากระชั้นชิดเข้าไปอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นสิ่งที่ทั้งสมคนพี่น้องและเพื่อนชาย กำลังพยายามใคร่ครวนตรีตรองอยู่ในระหว่างที่สาวไปตามร่องรอยที่พอจะสังเกตเห็นได้นั้นอินไม้เล็กๆถูกหักยอดให้งอพับไว้เป็นระยะๆะะอนุชาตเต็มไปด้วยความมั่นใจว่าเขาตามไม่ผิดแน่ยิ่งกว่านั้นในลำห้วยลึกแต่ป่าสะจากน้ำมีแต่รอยน้ำฝนที่ไหลตกผ่านไปก่อนแล้วขณะนี้เหลือแต่รอยแฉะที่ก้นห้วย ก็ยังปรากฏรอยรองเท้าของบุคคลหลังนั้นชัดเจนแพทยจะนับจำนวนคนได้ทีเดียวลักษณะพื้นรองเท้าของพวกอเมริกันและอาจจะมีเชิดบุตรอยู่ด้วยเป็นลักษณะที่เหมือนกันหมดเพียงแต่ผิดขนาดไปบ้างเท่านั้นตามขนาดเท้าของแต่ละบุคคลแต่รอยพื้นรองเท้าที่แยกลักษณะออกไปต่างหากไม่เหมือนกับอีกห้าคู่น่าจะต้องเป็นของระพินแน่ฉนิฐานจากข้อที่ว่า เขาคงจะไม่ได้รับแจกหรือจัดเตรียมมาให้ไว้โดยตรงเนื่องจากตนเองย่อมมีใช้ของตนเดิมอยู่ก่อนแล้วส่วนเปลือกของหมักฝรั่งก็ดีกล้วบุรีที่พบกันเป็นระยะก็ดีพิสุดน์ยากว่าเป็นของใครเพราะมันเป็นสิ่งที่จะเอื้อเฟือ้อหยิบยืน่นส่งให้แก่กันได้ฉันมิดระหว่างเดินทางไปด้วยกันไอ้กันพวกนี้มันก็เป็นสันดาณอยู่อย่างหนึ่งนะ ชยันเอ่ยพร้อมก็หัวเราะเบาๆก้มลงหยิบเปลือกหมากฝรั่งชิ้นหนึ่งจมดินปริมปริ ม, รมขึ้นมาดูแล้วโยนทิ้งทิ้งรอยหมากฝรั่งไว้เห็นได้อยู่เสมอละชุดที่มาด้วยกันนี่ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นชุดเดนตายผ่านสงครามหรือ ง, งานที่จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาอย่างโชคโชนแล้วแน่ๆเชิดตาให้ความเห็น พวกเขาไม่ได้เคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อรสชาติอะไรหรอกแต่เป็นการผ่อนคลายลดความตึงเครียดมากกว่าฉันคิดว่าอาจจะเป็นของผู้หญิงสองคนนั่นมากกว่าพวกผู้ชายนะมีร่องรอยของการเลาะไปตามลำห้วยนั้นขึ้นด้านเหนือระยะหนึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นชัดว่าปีนไตแง่หินและรากไม้ขึ้นอย่างฝั่งตรงข้างรอยดินร่วงถล่มเพราะน้าหนักตัว รอยทิ้งโหนรากไม้เล็กๆที่โผล่งอกอยู่ตามฝั่งห้วยเพื่อจะโหน้กายขึ้นไปมองเห็นได้ชัดอนุชากระดารินตรวจร่องรอยไปเคียงคู่กันน้องสาวแสวงหาหลักฐานในการแกะรอยได้ไม่น้อยไปกว่าพี่ชายซึ่งเคยเปรียบเสมือนพานอาชีพมาแล้วอนุชาพบอย่างหนึ่งดารินก็ต้องพบอีกอย่างหนึ่งในแนวทางเดียวกันเสมอ ส่วนชัยยันและเชษฐาเป็นคู่ติดมาทางเบื้องหลังช่วยกันใช้การวิเคราะห์สรุปโดยปล่อยหน้าที่ในการสแสวงหาหลักฐานให้แก่อนุชาและดารินไปขึ้นจากลาห้วยก็ซอกซอนไปตามป่าหินและพงไม้ทึบอีกครั้งปราศจากทางดกบางตอนก่อนจะเข้าไปได้ก็ต้องมีการตัดฟันกิ่งเถาวันเข้าไปหลักฐานมันชี้ชัด ว่าขนทางที่รับพินนาซอกซอนมานี้ฝ่ายอเมริกันทั้งสี่ติดตามมาด้วยครบสี่คนรวมทั้งนายทาหารไทยด้วยอีกคนคือพันตรีเชิดวุฒิและช่วงไม่นานดารินก็พบกับก้นบุหรี่ใบตองแห้งเข้าก้นหนึ่งที่ริมทางสีสันมันกลืนกับใบไม้ที่หล่นอยู่ทั่วไปหล่อนหยิบขึ้นมาดูและอ่านรหัสทันที เราเข้าใจกันว่าราพินพาอเมริกันและนายทหารไทยผู้นั้นแยกทางมาตามลำพังแต่นี่ก็ปรากฏอีกแล้วนะคะน้อยกล้าทายได้ว่านอกจากเขาแล้วมีบุญคนตามมาทางด้านนี้คนเชษฐารับไปดูและพยักหน้าอืมใช่ใ ช, ใช่น้อยเธอละเอียดกว่านายกลางซินั่นเนี่ย พี่ก็คิดว่าใช่นะเพราะจําลักษณะบุรีพื้นเมืองแบบนี้ของตะบุญคำได้ถ้างั้นก็ไปพวาบุญคำมาทางด้านนี้ด้วยสิส่วนจันเกิดแล้วก็เสยคงจะรับหน้าที่คุ้มพวกลูกหาไปทางด้านโน้นนะนะไม่นานนักของการติดตามรอยที่บุกไปตามพงรกทุกคนที่สะกดรอยมา ก็พบกระตรอยเท้าช้างเก่าเก่าย่ำสับสนไปหมดแต่ไม่มีรอยปะทะหรือรอยยิงอาจเป็นเวลาใกล้เคียงกันกับที่พวกนั้นผ่านมาแต่ยังไม่ประจันหน้าเพราะดงแทกนั้นไม่มีรอยไม้หักหรือวี่แววของการวิ่งะเะลิดของช้างเลยไม่มีแม้แต่ปลอกกระสุนที่น่าจะตกให้พบบ้างสมมติว่ามีการยิงเกิดขึ้น หนทางมันค่อนข้างลำบากก็จริงแต่เพียงแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเท่านั้นพอไต่ขึ้นลำห้วยอีกลูกหนึ่งก็ล่วงเข้าสู่ป่าหินนักตำแหน่งหนึ่งทั้งหมดพบบุรีสี่ห้าก้นเกลืกล่อนอยู่ยังบริเวณโคลนไม้ใหญ่อันมีลักษณะของภูรากและแท่งหินเพราะอาศัยเป็นที่นั่งพักได้อย่างสบายแลไปรอบๆด้าน ก็พบกับเส้นทางด่านที่ตัดคดเคี้ยวอ้อมเลาะมาตามป่าหินซึ่งจะเฉียดมายัางแนวนี้หมอมราชวงศ์อนุชาผู้นำมาโดยตลอดหยุดเดินทันทีปลดวิทยุขึ้นมาเรียกนานอินเสียงครูพรานตอบตั บ, ตบมาแววใกล้ชัดเจนเหลือเกินตอนนี้เดินทางมาถึงไหนแล้วลุงก็เดินมาตามทางเดินมาเรื่อยเรืยนี่แหละในชด มองเห็นตาหินข้างหน้าแล้วละ่ะพวกนายอยู่ที่ไหนละ่ะฉันคิดว่าฉันมาถึงจุดที่พรานใหญ่เขามาหยุดนั่งคอยพวกลูกหากไปนะให้สังเกตป่าหินชิดแนวลำห้วยเข้าไปจะมีต้นไทรใหญ่แล้วก็นกกล้าวเกาะ อ, อยู่เต็มในขณะเนีเน้เห็นแล้วเห็นแล้วนายนั้นอินกับพวกจะเข้าไปถึงเร็วๆนี่แหละรออยู่ก่อนแล้วกัน อนุชาถอนใจยาวหันมาทางพี่น้องและเพื่อนพยักหน้าให้ดูตรงบริเวณที่ยืนอยู่นั้นชัดเลยครับตรงนี้แหละที่ระพินนําพวกนั้นมาสกัดหน้าดักรอพวกลูกหาบอยู่เหมือนเหมือนกับที่เรากําลังรอฝ่ายนันอินอยู่ในขณะ น, นี้และนี่ก็คือจุดที่พบกับพวกขบวนลูกหาบเป็นครั้งแรกภายหลังจากแยกกันตรงนั้นดาริน เทศหาและชัยยันตรวจดูตามพื้นรอบๆและพี่ชายใหญ่ของคณะก็บอกมาว่าอืมใช่แล้วเะพินมาหยุดดักหน้าตรงนี้เองและคงจะมีเวลานั่งพักกันอยู่นานพอสมควรก่อนฝ่ายลูกหาจะมาถึงอ่ะสังเกตดูจากก้นบุรีที่เกลื่อนไปหมดนี่ให้ตายเหอะกลางนายกน้อยนี่ไป น, นักสะกดรอยชั้นเยี่ยมสุดที่เดียด เราตามหลังเข้ามาชนิดแพทย์จะรู้ทุกฝีก้าวว่ามีการเคลื่อนไปทางไหนทำอะไรกันมั่งดีกว่าเก็บรายละเอียดได้มากที่สุดเกิดจะเรียกได้ว่าหลักตาเห็นทีเดียวและจากหลักฐานเหล่านี้ก็ทำให้แน่ใจเหลือเกินว่าเราตามเขาทันแน่ไม่ที่จุดใดก็จุดหนึ่งชัยันอุทานออกมาอย่างยินดีแผ่นชดยิ้มเลื่อนเลียดมันก็ยังไม่แน่นักลอก หลักฐานที่เราพบเหล่านี้ถึงยังไงมันก็ยังเป็นหลักฐานของเหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วตั้งอาภิตกว่าอยู่ตามเดิมมแหละมันไม่ใช่หลักฐานสดๆร้อนๆฉันแน่ใจว่าฉันจะเก็บรายละเอียดอย่างที่เห็นอยู่นี่ไปได้ตลอดจนกระทั่งถึงห้วยสือรองแต่หลังจากนั้นไปแล้วไหนถึงในนรกดำเน่ะยังไม่กล้ารับรองนะถ้าจะหลงเส้นทางกันก็คงหลงเมื่อล่วงเข้าป่าดิบดงดำ ทนจากข้วยเสือร้องไปแล้วล่ะพี่กลางหนังอินหรน้อยอาจจะหลงรอยของพวกเขาได้ค่ะแต่เจ้าล้วยจะไม่มีวันหลงหรอกค่ะดารินเอ่ยขึ้นลอยๆอยพี่ชายกลางหันมองหน้าขณะนั้นดารินนั่งอยู่บนแผ่นหิน เ, เปรี้ยๆก้อนหนึง่งกำลังเอาไม้เล็กๆเขีย่ยคุยตามกองใบไม้แห้งอย่างปราศจากความหมาย หรือเจตนาเจาะจงที่จะค้นหาอะไรนะแล้วจะคิดว่าช้างเวรของเธอตัวนั้นน่ะมันจะมาช่วยนำทางแกเราเหรอมันจะติดตามพวกเราไปได้ไกลสักแค่ไหนแต่ไม่มีสังหรณอยู่กับตัวนะคะเราถึงไหนเจ้าด้วนก็จะต้องถึงนั่นเราหลงเส้นทางของระพินเมื่อไรเจ้าด้วนก็จะต้องออกนำให้เราเมื่อนั้น ไม่มีวันที่มันจะผละแยกจากเราไปหรอกค่ะฮึ อ, อนุชาหัวรอฮือฮื อ, อ, อยังไม่สนใจเชื่อถือศรัท ธ, ธาอะไรนะักแต่ก็ไม่พูดอะไรให้น้องสาวเสียกำลังใจเสียงดารินเอ่ยมาเหมือนรำพึงอีกว่าจ็ดแปดวันแค่เจ็ดแปดวันเท่านั้นที่เขาล่วงหน้าไปก่อนมองเห็นรอยกันอยู่ชัดชัด ชนิดเดินทับเส้นทางมาทุกระยะทีเดียวจะป่าเจ้าเขาช่วยด้วยเถอะลูกจะบนด้วยหัวหมูสักร้อยหัวเลยถ้าพบไม่ว่าจะพบตัวเขาหรือกระดูกของเขาแล้วอยู่ๆดารินก็ลุกขึ้นยืนบ้องปากตะโกนเรียกออกไปดังลัน่นรับพนรับพน เสียงของดารินสะท้อนกังวานกล้องไปไกลพี่ชายทั้งสองเพื่อนชายอีกหนึ่งชะงักหันไปมองดูเป็นตาเดียวอย่างตกใจก็เห็นราชสกุลสาวันเป็นน้องเล็กยืนนิ่งตามือรลอยอย่างปราศจากจุดหมายไปยังพงไพรทึบทมึนเบื้องหน้าเหมือนว่าตกอยู่ในห่วงพวังพี่ชายใหญ่เดินเข้ามาใกล้ โอบแขนประคองกอดไหลไว้กระสิคน้อยเธอเหนื่อยมากนะหลุกนั่งทักสักก่อนเธอดารินวราริทยกมือขึ้นปิดหน้าร้องไห้กระสิกกระสิก่กกายสั่นเทาไปหมดอนุชากระชยันก็ตกใจโดดเข้ามาสิยงเคธาบอกมาเสียงต่ำๆว่าเร็วช่วยกันหน่อย รู้สึกว่าตัวเย็นเฉียบเลย น, น้อยคงจะเหนื่อยมากแล้วก็ไม่สบายไปเสียแล้วละใบหน้าของดารินบัดนี้ซีดขาวมีอาการเหมือนจะเป็นลมหมดสติไปชั่วขณะทั้งสามช่วยกันประคองน้องสาวเล็กให้นอนลงกับพื้นโดยใช้ยันกระชากผ้าพลาสติกพื้นเล็กประจำตัวปูลงกับพื้นรองให้เชษฐาเอามือจับตามใบหน้าและลำคอพร้อมทั้งปดสัมภาระเครื่องหลัง และเข็มขัดปืนที่รัดอยู่ให้ขยายหลวมออกส่วนอนุชาวิทยุเรียกหนานอินทันทีหลวงอิ น, นเร่งเดินทางหน่อยนะเอาหีบยาเครื่องมือหมอให้ขยินแล่นมาให้ก่อนเร็วนายหญิงไม่สบายเป็นลมไม่ใช่แล้วละเร็วเร็ ว, วหน่รอย1อเสียงแผดเแหลมตะโกนเรียกหานามระพินของดาริน สะท้อนก้องไปในราวไพรเป็นเสียงคลื่นแทรกซึมไปทั่วทุกบรรยากาศและนาเวลาเดียวกันนั้นเองเสียงตะโกนเรียกนามระพินก็แผดกล้องกังวานไกลออกมาจากใครอีกคนหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ต่างภูมิประเทศและต่างเหตุการณ์เท่านั้นส่วนความรู้สึกภายในนั้นจะตรงกันหรือไม่ฟ้าดินสิงศักดิ์ศิ์เท่านั้น ที่จะรู้้ไดามกลางไอระอุ ข, ของเปลวเพลิงที่โตตรการลามทุ่งอยู่และทุกคนในคณะกำลังนั่งจับจ่ามองฝ่าไอาระยิบระยับเข้าไปจากแหลงนั่งพักบนเนินสูงซึ่งปลอดภัยออกมาแล้วคริสตินากรูบินผู้ยืนจ้องตาสีฟ้าเบิกโพรงเข้าไปในท้องทุ่งที่กำลังขยายวงไ่ม้วงไม้มด้วยพระเพลิง กินแดนกว้างไกลจนดูเหมือนจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้นั้นอยู่ๆก็ตะโกนเรียกน้ำระพินออกมาจนทุกคนที่นั่งเงียบอยู่พากันสะดุ้งถ้ามีอํานาจที่เหนือธรรมาชาติหรือมีเครื่องมือจับคลื่นเสียงได้เป็นพิเศษก็พบได้ว่ากระแสเสียงตะโกนเรียกน้ำระพินลอยมากระทบและบรรจบประสานกัน เหนือบรรยากาศทุ่งนรกนั้นซึ่งบัดนี้กลายเป็นสันดาแ่งความร้อนไปสะและ้วคณะที่ถอยปลาห่างจากบริเวณทุ่งลามไฟกินอาณาเขตกว้างไกลได้มาหยุดตั้งหลักกันบนเนินเขาแห่ง น, นี้เป็นเวลาร่วมครึ่งชั่วโมงแล้วเช่นกันนับจากต่างทุรนทุรายปลาหนีความร้อน มีการถูกย่างสดกันออกมาได้อย่างวุฒวิทวุฒวิทจวนเจียนโดยไม่ปรากฏวี่แววว่ามรคุเทศนำทางจะโผล่ตามออกมาให้เห็นและแม้ว่าทั้งสเตลีและคิดจะใช้ชุดกันความร้อนกับเคมีดักเพลิงซึ่งเป็นชุดประกอบของการกู้ระเบิดนิวเคลียร์บุกตามเข้าไปค้นหาก็ไม่สามารถจะพบแม้แต่ซากของเขาจนต้องทังงะ ก, กลับออกมา ราสุดที่จะทนทานความร้อนต่อไปได้ทั้งหมดนั่งพักทำอะไรกันไม่ได้เลยนอกจากมองอย่างสิ้นหวังไปยังทุ่งที่กลายเป็นทะเลเพลิงไปหมดแล้วชนิดตัดสินใจยังไงไม่ถูกและจู่ๆแม่นักเคมีฟิสิกสาวประจำคณะก็ตะโกนเรียกนามบุคคลที่ทุกคนกำลังรอคอยอยู่เช่นนั้นทำมาพักพวกทั้งหมดแานคู่ใจของรพินและพวกลูกหา หันขวักไปทางหลอนเป็นตาดิคริส <Chris! S 1> สไตลี่คีตและเชิร์ตบูอุทานออกมาอย่างตกใจเพราะเสียงตะโกนนั้นดังมากเหลือเกินดังผิดปกติอย่างประหลาดล้งเรากับจะเข้าไปในเครื่องขยายเสียงสักหนึ่งพันวัตต์ก็ไม่ปานเมื่อหันมาพบเป็นเวลาเดียวกับที่คริสตินา่าผุ้นแันแล่นออกจากที่ไปนะ หล่อนกำลังจะวิ่งลงเนินตรงเข้าไปยังท้องทุ่งตไฟที่แผลดิ้กกันขึ้นมาเสียงตลลีกับคีตเออะโอวยวายเพนรวดลุกขึ้นแเชิดรุดไวกว่าขณะที่คริสวิ่งผ่านเขานายทหารหนุ่มก็ยื่นขาไปสกัดไว้คริสติน่าสะดุดล้มกลิ้งลงเชิดรุ่ดกระจอนเข้ากตะครุบตัวแล้วกดลงกับพื้นตะหวาดลั่นคริสจะบ้าแล้วเนอะนี่คุณกําลังจะทําอะไร ริศตีหน้าสะบัดดิ้นรนสุดริศแผดร้องออกมาอย่างคนหมดสติว่าทุกคนไม่มีปัญญาแล้วเหรอทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างนั่งดูกองไฟเผาคนทั้งเป็นแล้วก็ภาวนาสวดทรงวิญญาณเขาอย่างเดียวอย่างงั้นเหรอไปฉันจะบุกเขาไปเอากระดูกเข้ามาให้ได้ขนะดนั้นไม่ทราบว่าเรี่ยวแรงของแม่ผมทองมาจากไหน หลนผีเชิดบุษผงาดลอยลอยหลุดจากการครอมทับอยู่บนตัวออกไปและตะเกียตะกายลุกขึ้นมาอีกเมื่อ น, นั้นไต่ลีและคิดก็โผงขึ้นมาสมทบพร้อมกับเสียงร้องลั่นของเบนที่สั่งมาแล้วหรือว่าล็อกตัวคริสไว้เขากำลังหมดสติถ้ายุดไม่ได้ต่อยให้หลับหวัวหน้าคณะและนายพันเอกแห่งเอสอามี ยึดแขนคริสติน่าไว้คนละค่ะแต่ขนาดผู้ชายร่างใหญ่สองคนก็ยังแทบจับหลอนไว้ไม่อยู่คริสติน่าร้องโวยวายอย่างบ้าคลั่งอยู่เช่นนั้นสบัดดิ้นรนเต็มที่จึงส่วนเซลูระเนนกันไปมาระหว่างคนจับกับคนถูกจับและมีอาการเหมือนกับว่าชายร่างใหญ่ทั้งสองจะจับไว้ไม่อยู่เพราะคริสแรงมหาศาลซ้ำยังพิสจชัดออกมาบัดนี้ว่า หล่อนชำนาญในการต่อสู้มือเปล่าชั้นครูทีเดียวเมื่อนั้นเองเแบงบก็ปาดเข้าไปสกัดหน้าไว้หล่อนทุกทีบแต่แม่เพื่อนสาวผมแดงซึ่งดูว่านุ่มนิ่มอ่อนแอที่สุดในขณะนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นอีกเช่นกันว่าเมื่อถึงคราวจำเป็นขิดสุดหล่อนไม่ใช่คนที่จะไม่เป็นอะไรเอาเสลยหล่อนเบียงตัวหลบฝ่าเท้าของคริสไปได้อย่างบุบบิด นกปราดเข้าประชิดในระยะหมัดช่วงสั้นเข้าไปที่ปลายคางของแม่ผมทองในลักษณะสวิงเข้าทางด้านข้างเบาเดียวคริสที่กำลังดิ้นฮึดฮกตหึดฮัตอยู่หน้าสะบัดหันเขาอ่อนร่วงทันทีแต่ไม่ถึงพื้นเพราะสเตนลี ก, กับคริสยังจับปีกหิ้วอยู่หละกไปนอนตรงนั้นเร็วเข้าเดี๋ยวฉันจะฉีดยาระงับประสาทให้ คริสคลุ้มคั่งลืมตัวไปใช่แล้วเบนสั่งเร็วปืงด้วยยาระงับประสาทหลอดที่เบนฉีดเข้าคล้ามเนื้อของคริสติน่ายางระมัดระวังและด้วยการใช้ผ้าขนหนูราดน้ำจนเปียกชุ่มประคองซับเช็ดไปตามใบหน้าและซอกคออย่างแผวเบาของเชิดบุตรโดยมีสแตลลีและคีตคอยให้การช่วยเหลือร่วมมืออยู่ใกล้ๆ ยังชั่วไม่กี่นาทีคริสติน่าก็รู้สึกตัวขึ้นมาด้วยอาการสลึมสลืมหลอนลืมตามองทุกคนไปรอบๆเหมือนจะลำดักภาพเฉิดวุตยข ย, าย่ขยาไหลเบาๆคริสคริสอืมรู้สึกเป็นไงบ้างฉันฉันฉันเป็นะไรไปอ่ะลอนขยับตัวลุกขึ้น ซึ่งพักพวกก็ประคองให้ขึ้นมานั่งบังเอิญขณะที่หล่อนพังโงกตัวขึ้นมานั่งนั้นอยู่ในทิศทางที่หันหน้าลงไปเห็นไฟที่กําลังเต็มทุ่งไปหมดคริสจึงขยี้ตาจ้องขม็งเบนรู้ท่ามาก่อนแล้วจึงรีบคุกเข่าบังหน้าซะเอามือกดไหล่หันหน้าไปทางอื่นคริสอย่ามองไปทางนั้นไฟยังไม่หมดหรอก พรานพรานนำทางคนนั้นแม่ผมทองพึทําออกมาจากลำคอแห้งผากยังมึนๆงงๆอยู่เขาเขาอยู่ที่ไหนโทรมาได้แล้วยังหรือใครได้ขา่าวยังไงมั่งแล้วที่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ย น, นอนหลับแล้วก็ฝันร้ายไปงั้นแหละคริส เรากาลังอยู่ในสถานการณ์เดิมนะเสียงห้าวของหัวหน้าคณะดังมาแต่กอบไปด้วยความปลอบโยนปราณีคือพวกเราทั้งหมดหนีไฟที่ลามทุ่งข้างล่างโน่อนออกมาได้ระพินหายไปอย่างไม่มีร่องรอยและเราผ่านหนีไฟขึ้นมาอยู่บนเนินลูกนี้รอฟังข่าวเขาอยู่พวกเราทำอะไรไม่ได้ดีไปกว่านี้อีกแล้ว ส่วนเธอนะ่อาจจะเหนื่อยอาจจะร้อนมากเลยเป็นลมหมดสติไปช่วงขณะตอนนี้รู้สึกเป็นไงมัง่งฉันเป็นลมหมดความรู้สึกเหรอหลอนคลางลำดับเหตุการณ์ยังไม่ถูกนะและดูเหมือนจำไม่ได้ซะแล้วว่าก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่นาทีตนอยู่ในสภาพเช่นไรพร้อมกันเกาะมือปากเบลที่นั่งประคองใบหน้าอยู่ ให้หลีกจากการบังหน้าออไปตามองพโพลงลงไปยังทุ่งไฟเบื้องล่งนงไฟคริสติน่าขยับริมฝีปากหมกหมิดมันร้อนแรงเต็มบริเวณไปหมดแล้วเหมือนเหมือนเตานรกพระเจ้าใครก็ตามที่ติดอยู่ในนั้น ต่อให้ตัวเขาทํได้วยเหล็กก็คงหลอมละลายหมดแล้วแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวซึ่งเมื่อครู่ลืมสติไปชั่วขณะครั้นเมื่อฟื้นขึ้นก็ยังประติดประต่อเหตุการณ์ยังไม่กระจ่างชัดนะักมองไปทางหัวหน้าคณะนะอาจารย์คะนี่พวกเราจะไม่ทําอะไรกันเลยเหรอคะเนี่ยเชิดบุธขยับปาก แต่คิดบีบแขนไว้เชิงไม่พูดบอกเท้าความอะไรแก่แม่ผมทองทั้งสิ้นในเหตุการณ์ที่หล่อนคลุ้มคลั่งลืงตัวเมื่อครู่นี้นายทหารหนุ่มจึงหุบ ป, ปากหากจะจ้องจับอากับกิริยาของหล่อนไว้ทุกขณะไม่แน่ใจว่าจะเกิดวิ่งทั่วดาดลงไปอีกอย่างตะกี้เมื่อไหร่ตัวเขาเองก็เคย อ, อยู่ในสภาพเช่นนี้มาก่อนและสะดุดชนะงัหรือถูกยับยั้งลงได้ เราด็อเตอร์สแตนลีย์ต่อยเอาจนล้มควม่ำก็คิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์เช่นนี้ล่ะคริสคริสตินานิ่งซึ่งอย่างน้อยยาระงับประสาทก็ช่วยยับยั้งหล่อนไว้ทุกคนนิ่งเงียบงันกันไปหมดแต่สังเกตดูกับกิริยาแล้วคริสคงจะไม่บ้าระหังลืมตัว ทำอะไรที่เสี่ยงชีวิตตัวเองอย่างเมื่อครู่นี่แน <ım eni> ่อันทำให้เบาใจลงได้บ้างเขาตายแล้วตายอยู่ในกองไฟที่หนีออกมาไม่ทันนั่นภาหลังจากที่ช่วยพวกเราทุกคนออกมาได้เลยแล้วหล่อนก็เอ่ยออกมาอีกอย่างแผ่วเบาเหมือนจะกล่าวกับตนเองนี่คริส อย่าเพิ่งดวนลงความเห็นสักก่อนเดี๋ยวนี้เลยคีดกล่าวขึ้นขึ้ น, น, น, นตกที่ไหล่ของคริสติน่าหนักหน่วงมาจาักเบื่องหลังตราบใดก็ตามที่เรายังไม่เห็นชัดกระตาเราตัดสินใจกันแล้วคริสว่าเราจะหยุดอยู่ตรงนี้แล้วโดยไม่เคลื่อนไหวไปไหนทั้งสิ่งเราจะรอรอจนกระทั่งไฟซาหรือมอดลง ไม่ว่ามันจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่แล้วเราจะลงไปค้นหาเขาอีกครั้งหาใครหากองกระดูกเหรอเสียงหลอนถามเกือบจะไม่มีเสียง